วันอาทิตที่31สิงหาคมพศ2 5 4 0การบรรยายอภิสมัยญาสังยุตปฏิจจสมุปบาทโดยอาจารย์สุเทพโพ ธ, ธิสัตธาท่านสาธุชนที่เคารพการสรุปการบรรยายพระสูตรที่เกี่ยวข้องกับปฏิจจสมุปบาทได้ สรุปมาแล้วครั้งหนึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วก็ครั้งหน้าจะเป็นอีกครั้งหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับาสารบันพระสูตรนะครับก็ทีแรกก็นึกว่าจะผ่านตรงนี้ไปเลยก็มาพิจารณาเห็นว่าน่าจะทําเอกสารสรุปเนื้อความในทางหลักๆไว้ให้ครบแล้วก็อธิบายพาสอสมควรให้ครบไม่ไม่ปรารถนาจะรีบร้อนให้จบแต่อย่างใดนะครับประจบในส่วนนี้แล้วก็จะกล่าวสรุปในส่วนของเนื้อหาหลัก ที่รากฏอยู่ใน <c oughs> ประสูตรชุดนี้สำหรับเอกสารนี่นะครับวันนี้แจกให้เฉพาะวักที่ห้าซึ่งมีสิบสูตรแล้วก็วักที่หกอีกสิบสูตรรวมเป็นยี่สิบสูตรซึ่งจะอธิบายในครั้งนี้ล่าวหน้าจะเป็นส่วนที่เหลือแล้วก็วักก่อนหน้านี้ที่อธิบายมาเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยยังไม่ได้ทำสรุปลักษณะอย่างนี้ก็จะค่อยๆทาไล่หลังมาให้ เนื่องจากว่าการจัดทาเอกสารตอนนี้มีปัญหาเรื่องการจัดพิมพ์นะฮะก็เลยเลยคุกขลักมากสักหน่อยเอาละครับเราจะสรุปสรุปเพื่อให้จับความได้ว่าประสูลนั้นมีลาดับสูตรอย่างไรแล้วก็แต่ละสูตรนั้นมีเนื้อหาโดยสรุปอย่างสั้นที่สุดอย่างไรบ้างเราเริ่มจากกะหาปฏิวัค ซึ่งเป็นวักที่ห้าต่อจากข่าวก่อนนี่นะครับขราวก่อนเราพูดสรุปไปสี่สิบสูตรค่อนข้างจะโล่งๆไปมากกะหาปฏิวัคแปลว่าหมวดที่แสดงแก่อนาถาบินธิกะค้ารือหาบอดีเป็นสูตรแรกคืออนาถาบินติกะเศรษฐีเนี่ยโดยมากเราก็จะเรียกว่าอนาถาบินติกะเศรษฐี แต่ในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าเมื่อจะทรงตรัสเรียกอนาดาบนินิกาท่านจะเรียกว่าท่านครือหาบดีเครหบดีก็แปลว่าผู้เป็นใหญ่ในเรือนซึ่งจะไม่ได้แปลว่าผู้ที่ร่ํารวยเสมอไปใครก็ตามที่เป็นพ่อเจ้าเรือนจะเรียกว่าครือหาบดีทั้งนั้นแต่เศรษฐีนั้นจะหมายถึงผู้ที่มีทรัพย์สินมากหรือก็ดุมพีก็น้องเศรษฐี ร่ำรวยน้อยกว่าเศรษฐีพระสูตรนี้ที่ชื่อว่ากษับบดีวัคก็เป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าแสดงแก่ท่านอนาถาปินทิกะเศรษฐีเป็นสูตรแรกเท่านั้นนอกนั้นแล้วก็โดยมากแสดงแก่พระหรือพระภิกษุทั้งหลายเป็นส่วนใหญ่นะฮะและมีพระภิกษุ ร, รูปหนึ่งอยู่สูตรหนึ่งแล้วก็มีพราม เป้าคนใดคนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะด้วยอยู่สองสูตรสูตรสี่สิบเอ็ดหรือสูตรที่หนึ่งของวัดนี้ชื่อว่าปฐมปัญจเวระพยะสูตรปัญจเวระพยะก็แปลว่าแปลกลับว่าภัยเวนห้าัยก็ดีเวนก็ดีหมายถึงสีห้านั่นเอง ความล่วงละเมิดสีห้าคือการฆ่าสัตว์เป็นภัยและเป็นเวรการลักทรัพย์จนถึงการดื่มสุราและเมรัยนั้นเป็นภัยและเป็นเวรเป็นภัยก็เพราะว่าเป็นสิ่งประทุสลายเป็นเวรก็หมายถึงเป็นสิ่งที่จะต้องอมีสภาพเป็นวัตจักคือกรรมวัตรแล้วก็กิเลสวัตรด้วย ผลอยู่ด้วยกันคือการที่เราผิดศีลเนี่ยก็จะได้ทั้งกรรมและได้ทั้งกิเลสคือได้กรรมด้วยแล้วก็ได้สั่งสมกิเลสด้วยบางครั้งก็ได้กรรมมากกว่าการสั่งสมกิเลสบางครั้งก็ได้การสั่งสมกิเลสมากกว่ากรรมยกตัวอย่างเช่นว่าเราตบยุงเป็นอาจินเนี่ยได้กิเลสมากกว่ากรรมกรรมนิดเดียวใช่ไหมฮะยุงมันตัวเล็กนี่ ถ้ากันตบเป็นอาชินได้นิสัยได้นิสัยค่าสัตว์ตบยุงได้ว่าหลังก็ไปตบอย่างอื่นนะการดื่มเหล้าการดื่มเหล้าเอถ้าสมมุติว่าเราทําเป็นครั้งเดียวออย่างเช่นว่าเราดื่มไม่ถึงกับเมาเนี่ยนะฮะเป็นผิดศีลไม่ไม่เมาเป็นผิดศีลนะเป็นผิดศีล แต่ว่าไอลักษณะทางกิเลสอาจจะน้อยถ้าดื่มเมาเนี่ย ล, ล, ลักษณะทางกิเลสก็มากมากกว่ามากกว่าอลักษณะทางกรรมแต่ไอสองอย่างนี้มันมากแกปนๆกันโดยมากแกเท่าๆกัน <c oughs> พระโสดาบันละไพและเวนห้าก็คือพระโสดาบันเป็นผู้มั่นคงในศีนใช่ไหมใช่สีห้ามั่นคงและนอกจากนั้นยัง เป็นผู้ถึงพร้อมโดยโสตาปฏิยังคะธรรมโสตาปฏิยังคะธรรมแปล ว, ว่ารมอันเป็นองค์บรรลุความเป็นโสดาสี่อย่างก็คือศรัทธามั่นคงในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์แล้วก็ในสิกขาศรัทธาสีอย่างศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และไตรและศิกขาศีลสิกขาสมาธิสิกขาแล้วก็ปัญญาสิกขา ที่ว่าเป็นองค์แห่งพระโสดาบันเนี่ยในรายละเอียดเราได้พูดพิสดารแล้วสรุปตรงนี้ก็คือว่าเป็นองค์ในฐานะเป็นเหตุคนจะบรรลุเป็นโสดาบันต้องมีความศรัทธามั่นคงในสี่อย่างมั่นคงพอที่จะทําให้บรรลุได้และผู้ที่บรรลุแล้วก็ได้โสดาปฏิยังก็ทําในขั้นผลก็จะเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยศรัทธามั่นคงในพระพุทธเป็นต้น ในเร็วกว่าโสดาปฏติยังคตธรรมและอริยะญาณธรรมในปฏิจจสิบสองอริยญาณธรรมเนี่ยแปลว่าญาณธรรมอันประเสริฐญยาณยธรรมอันประเสริฐและญาณธรรมอันประเสริฐหมายถึงธรรมที่ควรรู้อันประเสริฐได้แก่รู้อะไรคือรู้ปฏิจจารู้ปฏิจจา ผู้ที่กาหนดรู้ปฏิจจารเนี่ยชื่อว่าเป็นการรู้ยญายธรรมอันประเสริฐทีนี้คําว่าประเสริฐเนี่ยมันไม่ได้หมายว่าอาวิชาเป็นของสูงอะไรอย่งนั้นไม่ได้หมายความงั้นนะแต่ประเสริฐตรงที่เรารู้เรารู้ปฏิจจาร์ทปฏิจจาที่ไม่รู้ไม่เคยรู้ให้รู้รู้แล้วก็ละปฏิจจานั้นเสียถอนอสังสารวัตนั่นเองเพราะปฏิจจามก็คือวงจรของสังสารวัต ความรู้ในปฏิจจานั่นแหละชื่อว่าเป็นความรู้ที่ได้ชื่อว่าอริยะญายธรรมอันประเสริฐญาธรรมอันประเสริฐตามที่แปลเป็นเนื้อความภาษาไทยนี่เป็นคุณสมบัติของพระโสดาบันเลยได้ความว่าพระโสดาบันได้สี่ตรงนี้ถ้าถ้านับย่ออย่างนี้ศีลศรัทธา และปัญญาไม่ปฏิจจานสีลศรัทธาปัญญานี่ว่าถึงตัวหลักนะแต่ว่าสีลของพระโสดาบันก็เป็นสีลที่มีปัญญามีความเชื่อเป็นตัวตามอยู่ด้วยและศรัทธาสีอย่างที่เรียกโสดาปฏิยังกธรรมเนี่ยเป็นศรัทธาตัวนำแต่ก็มีปัญญาอยู่ด้วยคือเรื่อมใสอย่างมีปัญญานั่นเอง แล้วก็เริ่มใสอย่างผู้มีศีลด้วยมาดูสูตรสองทุติยปัญจเวรพยะสูตรเนื้อความของสูตรนี้พระผู้มีพระภาคแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายเหมือนกันครับเหมือนกันกับสูตรเมื่อสักครูน่นี้ถ้าถามมาต่างตรงไห น, นต่างกันที่คนฟังสูตรที่หนึ่งนั้นใครฟัง โยมฟังคือานาถปฏิกะสูตรสองนั้นภิกษุทั้งหลายเป็นผู้ฟังานาถะเป็นพระโสดาบันภิกษุทั้งหลายนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเป็นโสดาบันหมดหรือเปล่าเพราะว่าท่านไม่ได้ว่ารายละเอียดไว้ไปดูสูตรที่สามทุกขะนิโรธสูตร แปลว่าเรื่องความดับวัฏทุกขนี่แปลเอาความนีโลดแปลว่าความดับทุกขาก็คือความทุกข์ซึ่งตรงมุ่งหมายถึงวัฏทุกข์ไม่ใช่ทุกอย่างธรรมดาชาวบ้านทั่วไปสแสดงที่เชตาวันแก่พิสูจนทั้งหลายาในสี่สิบสูตรที่ปรากฏว่าสแสดงที่พระเชตาวันเกือบจะทั้งหมดเลยครับมีอยู่เพียงสองสูตรเท่านั้น ที่แสดงที่อื่นนอกนั้นเจตะวันหมดเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงประทับที่เชตะวันเป็นส่วนมากทรงแสดงเนื้อความในสูตรนี้ถึงเหตุเกิดทุกข์และความดับทุกข์แล้วก็ทรงค่อยๆ อ, อธิบายขยายความว่าเหตุเกิดทุกข์คืออะไรความดับทุกข์คืออะไรก็ทรงแสดงว่า ที่ผมใช้คาว่าอันเนื่องด้วยอยายตนะสิบสองเนี่ยทรงเริ่มด้วยอยายตนะสิบสองตาเห็นรูปด้วยจากสู่วิญญาณเนี่ยผัสสะเกิดทางตาเมื่อผัสสะเกิดทางตาเวทนาทางตาก็เกิดและตัณหาก็เกิดเพราะอาศัยเวทนาทางตาแม้ทางหูแม้ทางจมูกแม้ทางลิ้นแม้ทางกายและแม้ทางใจก็เช่นเดียวกัน เวลาในแง่ของการปฏิบัติเยกำหนดเห็นความเกิดก็เห็นทางนี้และเห็นความดับก็เห็นทางนี้คือจะดับทุกก็ดับตรงตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่สัมผัสอารมณ์ต่างๆเวทนาต่างๆคือถ้าโดยนัยปฏิบัติเนี่ยถ้าถามว่าเวลาปฏิบัติเนี่ย จะกำหนดภาษาหรือกําหนดตาหรือกําหนดรูปหรือกําหนดจกักษุวิญญาณหรือกําหนดเวทนาหรือกําหนดตัณหาก็ตอบได้เลยตอบได้เลยนี่พระพุทธเจ้าตอบไปแล้วในในพระสูตรทั้งหลายที่อื่นว่ากําหนดได้ทุกชีทุกที่กําหนดได้ทุกที่ทททและที่ถามว่ากําหนดเมื่อไหร่ก็คือเมื่อตาเห็นรูปเมื่อตาเห็นรูปเนี่ยมันจะเกิไดไ้กระบวนการนี้ขึ้นมาทีนี้เวลาที่เราเมื่อเมื่อตาเห็นรูปเนี่ย เราลองนึกดูว่าเวลาปฏิบัติเนี่ยมันมีสภาวธทํมเกิดเดยอะเวลาเราจะกำหนดเนี่ยเราจะกำหนดที่ไหนแล้วแต่หนึ่งแล้วแต่การชี้นำของบัค บ, บางครั้งเนี่ยก็ทรงให้กำหนดที่การเห็นบางครั้งให้กำหนดที่ปัสสะบางครั้งบางคนเนี่ยให้กำหนดที่เวทนาบางครั้งบางคนให้กำหนดที่ตัณหา แต่ในแง่ของการปฏิบัติอย่างคล่องตัวแล้วกำหนดที่ไหนก็ได้เมื่อใจเมื่อสติจับตรงไหนได้ในเวลานั้นให้กำหนดตรงนั้นมันกำหนดทีเดียวทุกอย่างไม่ได้อนนี้ก็มาถึงว่าเมื่อกำหนดรูปกำหนดอย่างไรกำหนดภาษากำหนดอย่างไรกาหนดเวทนากำหนดอย่างไรกำหนดอันหากาหนดอย่างไรก็เป็นอีกเรื่องนึงอีกนะต่างต่างอธิบายกำหนดอย่างไรเวลา เราทามแล้วกําหนดแล้วเป็นอย่างไรกําหนดแล้วเป็นอย่างไรแล้วกําหนดเพื่อให้เป็นอย่างไรตั้งปัญหาแล้วก็อยากอธิบายอยากชวนให้หนาอธิบายนะะแต่คงฮะเนี่ยแสดงว่าอยากฟังจริงๆอิงมันจะเสียนโยบายแล้วมั้งเนี่ เอาถ้าหน่อยแล้วกันนะคือถ้ากําหนดอย่างง่ายที่สุดเนี่ยนะได้แก่กําหนดตัณหาเพราะอะไรเพราะตัณหาเนี่ยมันเกิดอยู่ในขั้นหลังขั้นเลยกระบวนการนี้มานะเมื่อตาเห็นรูปแล้วชอบเนี่ยรู้ได้ทันใช่ไหมยากใช่ไหมเมื่อตัณหาเกิดเพราะตาเห็นรูปเราจับได้ทันไหมถ้าจับไม่ได้ทันก็ไปที่ห้างสตูดินก็ไ่าแล้วไปดู ก็มาตาเห็นรูปแล้วเป็นอย่างไรแวะไปในร้านที่เราชอบสินกาอ่ า, อาฮะฮะคือต้องชอบเึงจะเป็นตัณหาถ้าไม่ชอบเป็นโทสะอืทีนี้ไอเ ว, เวลาปฏิบัติเนี่ยนะฮะเวลาปฏิบัติจริงเนี่ยมันจะมีอันนี้ท่านเอาตัณหาเป็นตัวตั้งแต่เวลาเวลาทําจริงมันจะมีตัวอื่นเข้ามาเป็นเหตุเป็นผลเท่ยมโอย่างเช่นว่า เมื่อสมมุติว่าเราเห็นแล้วเราชอบพอจับไปจับมาเอมีตําหนีิเกิดโทมนัสขึ้นนี่เขาเรียกให้เอาตันหาเป็นตัวตั้งเพราะไอ้โทมนัสเนี่ยจะเป็นตัวตามตันหาในสติปัฏฐานให้กำหนดสองอย่างแต่จริงๆก็ตันหาเป็นตัวตั้งแล้วมุ่งที่จะละตันหาอย่างเป็นตัวหลักทีนี้ตันหาเมื่อกำหนดเนี่ยเวลาเรารู้ว่าเป็นตันหาความจริงแค่เรารู้ว่านี่ตันหาปรากฏ หยาบบ้างละเอียดบ้างปรากฏอย่างชัดๆัดบางทีไตันหายาบเนี่ยเราพอเข้าใจได้แต่ว่าคนไม่เข้าวัดก็จะเป็นกิเลสตรงไหนจะเป็นตันหาตรงไหนเขาก็ไม่เข้าใจไอ้นี่ก็เป็นธรรมดาของกรรมแต่คนปฏิบัติธรรมจะเข้าใจทั้งในสิ่งที่บางทีเนี่ยครูบาอาจารย์เขาไม่ได้บอกพอกําหนดไปแล้วจะเห็นตันหาละเอียดเลยว่าโอ้เห็นมันนิดเดีหน่นนอ ย, อ ย, อยเห็นหมดเลยขยับขยื่อนนิดเดียวอะไรนิดเดียวเนี่ยความคิดเคลื่อนไหวนิดเดียว แล้วก็เมื่อตัณหามันผวาจะเกิดก็เห็นล่วงหน้าในรูปลักษณะต่างๆก็จะจับตัณหาได้ทีนี้ถามว่าตัณหากําหนดให้มันเป็นอย่างไรให้มันอยู่และให้มันไปบํารุงตัณหาหรือลาตนากําหนดเพื่อลาตนาเนี่คือจุดมุ่งหมายของการกําหนดทีนี้ที่ยากกําหนดได้ยาก ก็คือตัวให้เลือกสามตัวนะหนึ่งตาสองรูปสามการรู้ต่างๆการรู้ต่างๆนี่ยังไงเรารู้สึกต่างๆนะคือจะรู้ชัดรู้อย่างไรในทางปฏิบัติจริงเนี่ยเราจะไปกะเกณฑ์จะไปจับจ้องเขี่ยวเข็นคั้นว่าจะต้องเห็นแต่เราเห็นอะไรไม่ได้ในแง่ปฏิบัติจริงนะ ในแง่ตั้งความเข้าใจไว้ต้องตั้งไว้เพราะฉะนั้นไอ้ตรงจินญาณเนี่ยเห็นง่ายกําหนดง่ายทีนี้มันมีอีกสองอย่างคือตากับรูปเวลาที่เราเห็นรูปเนี่ยจิตเราไปไปที่รูปหรือหรือมาที่ตาว่าตาเราตาเราเอาใจไว้กับตาหรือเอาใจไว้กับรูปเอาใจไว้กับรูปฟังเสียงก็เอาใจไว้กับเสียงมากกว่าเอาใจไว้กับหูนะเพราะฉะนั้นตัวประสาท ตาประสาทหูนั้นกําหนดได้ยากกว่าทีนี้วิธีกําหนดก็คือเอาใจไว้กี่ตาเอาใจไว้ที่ต า, าใจทีนี่คือทําแบบเบื้องต้นเลยนะส่วนมันจะจับได้ไม่ได้เนี่ยมันไม่เราบังคับไม่ได้อกําหนดประสาทกายก็เหมือนกันกําหนดใจเอาใจไว้ที่ใจตั้งใจไว้ที่ใจแทนที่จะเอาใจออกไปที่อารมณ์ซึ่งเป็นของนอกตัวและเราค่อนข้างจะคุ้นเคย เวลาปฏิบัติจริงเนี่ยเราเอาใจไว้ในหลักแหล่งของมันก่อนนั่นแหละเป็นอันใช้ได้สำหรับเบื้องต้นและคนที่จะลงลึกได้ก็ได้จากการกำหนดหลักแหล่งได้แล้วก็จับลักษณะได้ในทางลึกต่อไปกำหนดรูปเอาใจไว้ที่รูปเมื่อเห็นรูปเอาใจไว้ที่รูป เอาใจไว้อย่างไรเอาใจไว้ในข้อที่ไม่ขยายนิมิตไม่ขยายอนุพยัญชนะของรูปนั้นที่เรียกว่าเห็นสิ่งใดก็สักได้ว่าเห็นสิ่งนั้นอันนี้ว่าไอ้เวลาประสบการณ์ที่ปรากฏในการปฏิบัติเนี่ยมันเหมือนคนตาลอยเรารู้สึกเลยว่าเหมือนคนตาลอยเห็นรูปแล้วเหมือนคนตาลอยอเวลาที่เรา เราฟังเสียงก็เหมือนกันเหมือนคนเข้าหูทรายตะลู ก, กว่าหูทนลมมันจะมีความรู้สึกงั้นแต่ว่ามันไม่ได้ตาเหมือนตาลอยแต่สติไม่ลอยถ้าสติลอยก็ไอภาวะของการตาลอยแบบนี้จะไม่เห็นการกําหนดทางหูก็เหมือนกันถ้าเรากําหนดไอภาวะของความได้ยินเนี่ยก็จะรู้สึกได้ยินที่หูจริงๆ อยู่ที่หูเราเนี่จริงๆเนี่ถ้าเวลาเราหัดทําเนี่ยเราก็ก็จับได้ว่าต้องกำหนดความรู้สึกกระเทือนกระเถือนในหูนี่ก่อนนะมันถึงจะจะได้ยินได้ยินที่หูได้จริงๆอกําหนดกระเทือนก็หมายว่าเวลาที่เราได้ยินเสียงเนี่ยหูเราก็เถือนนะหูในในประสาทในหูเราเนี่ยช่องหูเรานี่กระเถือน เราก็เอาส เ, เอาจิตเนี่ยมาป้นเปี่ยนอยู่กันนะหนักเข้าเนี่ยไอเสียงที่มันอยู่ข้างนอกเนี่ยมันมันอยู่ตรงเนี้ยมันดังอยู่ตรงเนี้ยในที่สุดเราก็ทิ้งความกระเทือนแล้วก็จับการได้ยินหรือจับเสียงที่อยู่ตรงนั้นทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราปฏิบัติแล้วเรายังได้ยินที่อื่นรู้สึกว่าได้ยินที่อื่นเนี่ยก็กําหนดบางคนก็กําหนด เรากำหนดเอาจิตไว้ที่เสียงนั้นแบบไม่ขยายนิมิตไม่ขยายโน้ก็ยังจะนะนะบางคนก็เอาจิตไว้ที่หูตั้งไว้ที่หูเนี่ยก็ได้ได้ทั้งสองอย่างตั้งที่หูก็คือเอาประสาทเป็นเกณฑ์ตั้งที่เสียงก็ เ, เสียงเป็นเกณฑ์แต่ว่าพอทําทลงลึกแล้วเนี่ยหลักแหล่งปรากฏการความเป็นจริงมันอยู่ตรงไหนมันก็จะปรากฏแก่สติต่อหน้าต่อตาตรงนั้นอ่ามาพูดถึงผัสสะเวทนาสักนิดหนึ่งนะครับ ถ้าเป็นเวทนาเนี่ยง่ายเพราะว่ามันเป็นรสชาติที่เรารู้สึกได้กันง่ายๆทั่วไปรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์คือไอ้สภาวะรมเวลามันเกิดในแต่ละกรณีของการรับรู้เนี่ยมันมั่วกันไปหมดนะและเราเองเนี่ยในชีวิตจริงๆเราจะจะรวมๆรวมๆจะไม่ได้แยกจริงจังเราถึงจับสภาวะไม่ได้ทีนี้ไอ สภาวะตัวที่เรารู้สึกว่ามันเด่นในความรู้สึกเราก็คือเราหมายใจรู้ด้วยกิเลสมันถึงเด่นในความรู้สึกเราอย่างเช่นเวทนาเนี่ยมันเป็นที่ติดเนื้อต้องใจเราก็เด่นในความรู้สึกเราแต่เด่นด้วยกิเลสไม่ได้เด่นด้วยสติสัมปชัญญะที่เห็นจริงจังมันก็หาไม่ ก, ก็กล่าวได้วเวทนานะั้นเป็นของเห็นง่าย แต่สิ่งที่เห็นยากก็คือปัจจัความรู้สึกสัมผัสถูกต้องซึ่งในแง่ของการปฏิบัติจริงเนี่ยก็คือมันเหมือนเป็นจังหวะแรกนะไอ้แรกเนี่ยเราก็พูดไปอย่างนั้นแหละพูดในแง่ของการปฏิบัติจริงปฏิบัติได้แต่เวลาสภาวะมันเกิดขึ้นแล้วมันก็จับลันทันทีคือในขณะที่ เรานึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นครั้งแรกในใจคนปฏิบัติกรรมาฐานแล้วรู้จิตมันแกล้งไปหารมเรือดลมผุดขึ้นมาเนี่ยในจังหวะแรกที่ปรากฏนั่นแหละเป็นพัรษะแรกของการรับรู้เราก็ก็จับตรงนั้นจับให้ไวให้กระชั้นให้มากที่สุดแล้วก็แม้แต่ไอ้สิ่งที่เราเรียวกว่าไม่แลกเนี่ยความจริงมันก็แลกในรายละเอียดสมมติเรากําลังคิดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่เนี่ย ความจริงมันกระทบแบบ mm. เป็นคร่าวๆใช่หรือไม่เหมือนว่าเราเหมือนเราเคี่ยวอาหารอยู่เนี่ย mm. เปิดอาหารเข้ามาแตะลิ้นครั้งแรกเวลาละหะักัดเนี่ยเราต้องเอาอันแรกแบบนั้นหัดตรงนั้นให้ได้ก่อนแล้วก็มาทอนไอ้ไอ้ความแรกของการรับรู้ในระยะถี่ละเอียดเช่นเราเคี้ยวครั้งหนึ่งหรือเราตะหวัดลิ้นครั้งหนึ่งหรือรถที่ปรากฏ วูบขึ้นมาที่ลิ้นครั้งหนึ่งเนี่ยจะเป็นของที่แรกในแง่ของรายละเอียดเพราะฉะนั้นในทางหลักท่านบอกว่ผัสสะเนี่ยปรากฏตลอดเวลากระทบตลอดเวลาไม่ใช่กระทบทีเดียวแล้วชุ่มแยนะแต่มันกกระทบตลอดเวลาแล้วก็ไอ้ที่อารมณ์บางทีมันมันขาดหายไปเนี่ยมันก็มีเหตุผลการหายจากอารมณ์นั้นเนี่ยเป็นคราวๆเนี่ยนะเห็นบางครั้งมันชังนักเพราะอะไรเลยอ่าคุยกับพระองค์อนเนนที่เป็นว่าเป็นเนมฝรั่งเศส ท่านเก่งในเรื่องลิ้นมากเพราะว่าบางครั้งเนี่ยท่านไม่ได้ฉันอะไรเลยหลายวันแล้วก็ฉันวันละหนเดียวแล้วเวลาที่ฉันอาหารเนี่ยท่านคุยแล้วเรารู้เลยว่าเราไม่ละเอียดตัต้งนั้นเวลาเปิบอาหารเข้าปากเนี่ยนะมันไม่ใช่สซ่านแค่ที่ลิ้นนะจับได้ชัดเลยความรู้สึกอะไรต่างๆ่ า, านะมันโหยอย่างกับเทเอาแก๊สก้อนแก๊สเนี่ย ใส่ลงไปในในน้ำแล้วก็พู่ฟพา่านมาลักษณะอย่นแล้วไอจากการที่แต่ลิ้นพับแล้วมันซ่านไปทั่วทั้งตัวนี่ถึงเข้าใจว่าเอออ่าอ่าลดลดเนี่ยทำให้เกิดการซราบซ่านเรียกร้องชีวิตแผลซ่านไปทั่วสรีละเพราะในเวลาเคี้ยวคกืออลิ้นตวัดครั้งนี้มันก็ซ่านบุบบุก ความก่อให้เกิดความสะเทือนในตัวสะเทือนในความรู้สึกไปทั่วร่างเพราะฉะนั้นการฉันอาหารแต่ละกคำเนี่ยมันก็มีวูบมากวูบน้อ ย, อย น, นะฮะแบบทีทีแล้วก็อาหารแต่ละแบบแต่ละมือก็จะวูบมากวูบน้อยแตกต่างกันซึ่งสิ่งเหล่านี้โดยปกติเนี่ยเราเรารู้ได้แต่หยาบๆละเอียดนี้เราไม่รู้ เรารู้ก็ตอนที่เราหิวมากๆแล้วก็มีอาหารโหเลอเลิศร้นเนี่ยนะเคยคงเคยใช่ไหมที่อาหารเลอเลิศล้เนี่ยพอเปิบเข้าปากเนี่ยโอ้โหมันรู้สึกเลยทุกคนต้องเคยถูกไหมฮะอาหารเลิศล้ในขณะที่เราหิวก็จะรู้สึกไม่เชื่อถ้าลองลองไปแถวประเทศที่อาหารการกินหายากแล้ว ยังไปประมอยางนี้ยังจําได้ไปมีอาหารที่นโหอร่อยมากออกจากกรรมฐ า, านมาแล้วก็มาเลี้ยงที่สํานักสันตยาเจตียัยงจําได้แล้วก็ออกมาทุกคนเนี้ยโยคีมากันใหม่เอี่ยมหมอาหารมื้อนั้นเป็นมื้อแรกต่างสํานัก ก, ก็เตรียมเป็นอาหารแบบท้องถิ่นแต่ว่าคนปรุงเก่งมาก กินเสร็จแล้วเนี่ยแหมคนสติกำลังดีสมาธิดีดีมันรู้สึกคล้ายๆขนมเนื้อเลิศรสกินแล้วมันซาบซ่านซาบซ่านมาแต่ผมเชื่อว่าถ้าไปกินซ้ําตอนที่สติมันอ่อนแล้วมันก็หายซาบซ่านถ้าซาบซ่านแบบผิวมันก็คงหยาบๆไม่ละเอียดมันไม่มันคือแค่ไม่เกิดไอ้กระแสขึ้นวูบวูบอะไรเงี้ยนะเมื่อภาษาปรากฏเนตัวอื่นมันก็มีอยู่ดูด้วยแหละแต่ว่า ถ้าเราจะหมายรู้ออาตรงนี้มันก็เป็นปัจจัออกหน้าเราเลยไปถึงสูตรที่สี่นะครับโลกะนนโรทสูตรโลกะนิโรทสูต ร, น, ตรนั้นที่จริงก็ต่างกันที่โวหารโวหารที่เรียกว่าทุกก็ดีโลกก็ดีหรือขันก็ดีในใจสูตรอื่นเนี้ยเป็นนันเดียวกันพอโลกเนี่ก็หมายถึงสังขารโลกคือ น, นามรูป บางทีท่านเรียกว่าทุกข์คือเป็นการใส่ทัศนคติหรือใส่ค่าของโลกนั้นลงไปด้วยเพราะโลกนี่จริงๆโดยคำพูดก็เป็นคำไม่ดีอยู่แล้วล่ะครับแปลว่าความแตกดับทุกข์ก็เป็นสภาพที่ทนอยู่ไม่ได้เป็นไวยพจน์ในทางลบมีความหมายถึงอันเดียวกันก็กล่าวว่าโลกนี้โลดสูดเรื่องความดับ สังคละโลกประเดี๋ยวจะนึกว่าเป็นโอกาสสโลกพิจารแสดงแก่พิสูจทั้งหลายที่เชตาวันถึงเหตุเกิดโลกและความดับโลกเหตุเกิดโลกและความดับโลกก็ทรงแสดงโดยไนยะของอายตนะแล้วก็เชื่อมมาถึงปฏิจจสมุปบาทแบบไม่เต็มท่อนไม่ครบวงคือว่าอายตนะเมื่อตายเห็นรูป เมื่อจากสู่วิญญาณโสตวิญญาณการนัวิญญาจิมหาวิญญาณกายยวิญญาณที่ปรากฏทางประสาตตาเป็นต้นรูปอารมณ์มากระทบที่นั่นผัสสะปรากฏเมื่อผัสสะปรากฏเนี่ยเวทนาปรากฏตัณหาปรากฏอุปาทานปรากฏไล่เลยไปจนกระทั่งถึงชลาและมนณะที่ละเนื้อความไว้เนี่ยเพื่อจะได้ไม่ต้องพิมพ์เต็มทั้งหมดอ่าจะเห็นว่าสองสูตรนี้ นอกเหนือไปจากต่างกันที่โวหารว่าทุกข์กโลกแล้วยังต่างกันที่ความยืดยาวของปฏิจจ์ในสูตรแรกแสดงจบที่ตัณหาในสูตรนี้แสดงเลยไปถึงชลาและมรณะปฏิจจ์จึงพูดสั้นพูดยาวแตกต่างกันสูตรที่สี่สิบห้ายาติกะสูตร แปลแบบเอาความมาเรื่องณนะที่ใกล้หมู่ญาติคือพระพุทธเจ้าสแสดงสูตรนี้ในบริเวณใกล้บ้านหมู่พระญาติจึงเอาสถานที่ที่แสดงธรรมมาตั้งเป็นชื่อของสูตรญาติกาลนีแล้แปลว่าเนื่องโดยหมู่ญาติคื อ, คอหมายถึงในที่ใกล้หมู่ญาติคิชากาวสตะเรือนที่ก่อได้อิฐ ตามลักษณะก่อสร้างแบบถนัดของอินเดียครับใกล้บ้านพระญาติก็หมายถึงพระญาติทั้งสอง ส, องสกุลนะแต่พระสูตรไม่ได้ให้รายละเอียดว่าบ้านไกลยังไงก็เพียงแต่ว่าได้ทรงเสด็จจาริกไปเยี่ยมพระญาติก่าวเสด็จกลับไปที่นั่นแล้วก็ได้เสด็จไปพำนักตรงนั้นตรงนี้ตามสมควร ก็ได้แสดงธรรมะได้แสดงธรรมะเรื่องนี้นะไม่ใช่แสดงอย่างตรงตรงซึ่งซึ่งน่าเป็นการแสดงธรรมะแกพิสูรรูปหนึ่งโดยทรงสาทยายรัฏิจัสมุบบาท <texts> <Ball. S 2> ตรงนี้นี่นะครับว่าความเกิดทุกข์และความดับทุกข์อันเนื่องด้วยอายตนะสิบสองพอเมื่อตายเห็นรูป ด้วยจกักรวิญญาณสามสามอย่างมาประชุมพร้อมกันภาษาก็ปรากฏแล้วก็กลไกแห่งความทุกข์ก็เกิดไปจนถึงจลาและมรนะในทรงสวดสาธยายมีภิกษุรูปหนึ่งเข้ามากวาดพระคันตกูดีได้ยินเข้าก็พิงไม้กวาดยืนแอบฟังจนกระทั่งจบพระพุทธเจ้าเมื่อทรงสวดสาธยายเสร็จแล้วก็ทรงพิจารณาว่ามีใครบ้างฟังธรรมปริยายนี้ ก็ได้ทรงเห็นภิกษุรูปหนึ่งยืนฟังอยู่จึงได้เรียกเข้ามาว่าได้ยินหรือภิกษุก็รูลว่าได้ยินแล้วก็ทรงตัดว่าสูตรนี้แหละเป็นอาธิพรหมจันทร์ให้ให้ศึกษาเราเรียนแล้วให้ออกไปปฏิบัติตรงนี้เราถึงจับได้ว่าการศึกษาภาคปริยัติเนี่ยเป็นอาทิพรหมจันทร์อย่างหนึ่งอาทิพรหมจันทร์นั้นมีหลายอย่างด้วยกัน การฟังนั้นเป็นเบื้องต้นของพรมจรรย์ชนิดหนึ่งในภาคของความพยายามศีลก็เป็นอาีิพรมจทรย์สูตรถัดไปอัญญตาละสูตรแสดงแก่พรามคนหนึ่งที่เจตวันอัญญตละนี่แปลว่าพระคนใดคนหนึ่งนะซึ่งหมายถึงพรามคนใดคนหนึ่งไม่ปรากฏชื่อได้ตรัสถึงปฏิจจสมุปาสิบสองว่าเป็นทางสายกลาง ไม่ใกล้ที่สุดโต่งสองอย่างอันเนื่องด้กรรมมาวาทีสองทิฏฐิตรงนี้นะครับเป็นเรื่องกรรมที่บางทีคนลำพังแม้แต่คนอ่านพระไตรปิฎกเองเนี่ยบางทีตีความเป็นลักษณะว่าการอธิบายกรรมบางอย่างที่เราอธิบายถูกแล้วเป็นผิดเพราะว่ามันเหมือนกับตายแล้วเกิดหรือไม่อะไรเงี้ยบางทีเรา้าใจถูกแล้วแต่ว่า ไปเจอประสูนย์ทนองนี้เข้าแล้วก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ตรองให้ชัดเจนเนี่ยเลยนึกว่าเราเชื่อกรรมเชื่อการเวียนไหวใจเกิดจะเป็นเรื่องที่ผิดก็ไม่ยคามว่าไงถ้าถามว่า <c oughs> คนทาคนผู้ใดทำกรรมไว้ย่อมได้สเสวยผลนั้นหรือว่าคนหนึ่งทำกรรมคนอื่นสเสวย เอาถาถามไงคือเราทําเราได้หรือเราทําคนอื่นได้หรือคนอื่นทําเราได้อนนออเตรงนี้ครับพระสูตรอย่างนี้บางแห่งก็ทรงตัดว่าทํากรรมเช่นใดได้ผลเช่นนะั้นแล้วก็พระสูตรอีกหลายๆแห่งเนี่ยโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องวิปัสนาภูมิเนนะจะทรงปฏิเสธหมดปฏิเสธว่าใครที่ทํากรรม ไว้คนนั้นไม่ได้รับแล้วคนที่รับกรรมก็ไม่ได้ทําไว้เลยเอยุ่งวุ่นวายกันใหญ่แล้วให้จะเอาอย่างไงกันแน่เพราะว่าถ้าพูดในแง่ของส ม, มุตติโวหารทั่วๆไปเนี่ยราก็พูดว่าเราทํากรรมเราได้รับผลของกรรมใครทําเ่นใดได้รับอย่างไร น, นี่พูดในแง่สมมุติเพราะเอาปรมัตา์แล้วเนี่ยกรรมมีแต่คนทําไม่มีอย่างที่เคยพูดนะ คนทำกรรมไม่มีทีนีเ้เวลาพูดถึงในเชิงวิปัสนาภูมิท่านจะต้องพูดปฏิเสธความคิดความเชื่อเรื่องกรรมภายนอกศาสนาคือความเชื่อเรื่องกรรมภายนอกศาสนาเนี่ยมีอัตตาเป็นตัวยืนผู้ที่เชื่อกรรมเนี่ยจะเป็นสะตะตัตตตถติฏฐิคือว่าเราทากรรมไว้แล้วก็มีอัตตาเวียนว่ายแต่เกิดมาสเสวยผลของกรรมนั้น แต่มาถึงทางพูดเราเนี่ยเราถือว่าอันตาไม่มีกรรมเนี่ยก็เป็นแต่สภาวธรรมอันหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนามรูปเกิดขึ้นใหม่ก็ไม่ใช่นามรูปชุดเดียวไม่ใช่นามรูปอันเดียวกับตอนทํากรรมดับไปพร้อมกับกรรมไปรุนรื่นงเดียวกับกรรมนะแต่ว่าไอ้ความสืบต่อเนี่ยมันมีเมื่อพูดโดยปรังมัดจึงกล่าวว่า กรรมมีแต่ผู้ทำกรรมไม่มีการได้รับผลของกรรมนั้นก็คือนามรูปที่สืบต่อมาในการตอบไปในการต่อมาเนี่ยต้องอำนาจของเจตนาเก่าที่ได้เกิดขึ้นไว้เพราะว่ากรรมเนี่ยมันก็คืออำนาจของจิตในรูปหนึ่งที่เคยพูดถึงนะอำนาจเจตนาในรูปหนึ่งในรูปหนึ่งที่มันค่อนข้างจะลึกลับกว่ารูปอื่นรูปอื่นที่เข้าใจง่ า, งายๆมีมาก มันก็มาทำลายหรือมาทำให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือคิดยังไงก็ได้อย่างนั้นทำเราเ น, นี้ยเพียงแต่ว่าไอ้ได้อย่างนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ได้เดี๋ยวนั้นมันในแง่กรรมเนี่ยมันต้องได้แบบรอเวลาเราก็เลยเป็นผู้ริขิวิตตัวเราเองเราโดยสมมติเนี่ยทีนี้ไอ้ตรงนี้นะพอพูดถึงในแง่ของสภาวะการปฏิบัติเนี่ยนามรูปมันมีแต่แตกดับแตกดับแตกดับ แต่พลังอำนาจมันยังย่ำยีข้ามขณะจิตได้มุ่อ็เลยไม่รู้จะพูดยังไงจะบอกว่าเวรกรรมไม่มีสูญสลายหมดก็ไม่ได้เป็นอุเฉททิธิอีกจะบอกว่ากรรมอันใดคนทำกรรมอันนั้นในขณะนั้นได้รับเสวยผลก็ไม่ได้อีกพระพุทธศาสนาจึงพูดกรรมแบบอยู่ตรงกลาง อยู่ตรงกลางคือไม่อธิบายกรรมแบบ ส, ะ ส, ะ ส, ะสะัตตตถิติ and ไม่อธิบายกรรมแบบอุดเฉทติติอุดเฉททินี้ขาดกันเลยไม่เกี่ยวกันเลยอยู่ตรงกลางศาสนาพุทธจึงเป็นศาสนากลางๆลางในหลายๆส่วนแม้แต่ปฏิปทาก็เป็นกลางๆงแม้แต่ความเห็นทิฏฐิก็เป็นกลางกที่ต้องว่าอย่างนั้นก็เพราะว่าสภาวธรรมเนี่ยมันมีลักษณะเป็น ลกลางๆอย่างนี้เอ็ดนั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าตัดจริงในรูปของสูตรเนี่ยพระพรามมาถามว่าเราทํากรรมแล้วเราเป็นผู้เสวยผลหรือหรือผู้ทํากรรมเป็นคนหนึ่งผู้เสวยผลเป็นคนหนึ่งพระเจ้าบอกไม่ใช่ทั้งสองอย่าง เราก็ไม่ใช่เพราะประมาดไม่มีเราแล้วก็คนละคนกันเสียที่เดียวก็ไม่ใช่ฟังสำหรับคนอื่นเข้าใจยากใช่ไหมตรงนี้เข้าใจยากสาหรับคนอื่นมากอย่างเราฟังจนเบื่อแล้วฮะเป็นเผ่าพันธุ์เป็นทายาทของกรรมพวกลูกเป็นไงนะ นี่เป็นพิสูจนได้ใช่ไหมภิสูจน์ได้ยังมีปัญหาอีกนะก็อย่างนี้ว่าสมมติว่าคนหนึ่งไอ้ตัวนี้ก็เป็นคนมีที่เสียงดังทั่วประเทศเราจะพูดอะไรจะให้ชัดก็ชัดไม่ได้ <c oughs> เขาก็มีลูกนะฮะแล้วก็ลูกชายมังลูกหญิงมังไอ้ ล, ลูกชายก็จเจริญรอยตานอุปการีผู้ ไม่ได้พู้ทำแต่ความชั่วอีไยนะทความชั่วยเยอะอย่างงี้ยละกันแต่ลูกเนี่ยไม่เลื่อมใสพ่อเลยขัดคอพ่อมาตลอดเวลาไม่ภาคภูมิใจในชื่อเสียงของพ่อไม่ชื่นชมในอำนาจวาสนาแบบที่พ่อเป็นขัดคอพ่อแล้วก็ไม่ไม่ยอมอยู่ใกล้พ่ออย่างนี้เป็นกรรมของพ่อไม่ที่ไม่ได้ลูกแบบนี้ เ, เล่ากระแทกกระแทเดี๋ยวกัรู้ก็ดีตัวไ <laughs> ขเอ่อ ก็บอกเออมันก็เป็นเป็นกรรมบางคนโอ้โหเนี่ยนะไปไหนนะควก็ก้มหัวกันให้ทั้งนั้นแต่พอกลับเข้าบ้านต้องก้มหัวให้รูอะพวกเนี่ยยอมอยู่คนเดียวใหญ่ยิ่งกว่าใครพ่อในใหญ่กับคนอื่นมอแต่ว่าลูกใหญ่ก็ตัวก็พูดแล้วเหมือนเรื่องในนิยายเลยนะอันนี้มันก็เป็นเปลี่ยนเวรกรรมอันหนึ่งถ้าใครรู้ ผู้ที่ผมพูดถึงนี่ก็คงจะเข้าใจชัดเจนนะเอ่อทีนี้ไอ้ตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้หัดข้องอว่าเวรกรรมมีอะไรแต่ไรที่พูดเนี่ยถูกแล้วพูดในแง่ของโลกวิวหารในเรื่องภาคสมมุตินะแต่เวลาผู้เจ้าขัดคอเรื่องกรรมเนี่ยต้องขัดคอในภาคปรามัตคือความความจริงไอ้เรื่องความเชื่อเรื่องกรรมเนี่ยนอกศาสนาก็มีได้ถึงจะไม่ลึกซึ้งเหมือนอย่างเราเนี่ยนะมีมาแต่เก่าแก่เป็นสัมมาทิฏฐิอันหนึ่ง แต่ว่าสัมมาทิฏฐิที่เป็นความเชื่อเรื่องกรรมของคนทั่วไปเนี่ยไม่เป็นไม่ได้พนุกสัมมาทิฏฐิขั้นภาวนาขั้นวิปัสนาสัมมาทิฏฐิเวลาที่เราทําบุญแบบคนเชื่อกรรมธรรมดาก็ขอโน่งขอนี่ได้นู่นได้นี่แต่พ อ, อทําแบบคนทำวิปัสนาก็เห็นความไม่เที่ยงของกรรมก็ของการทําบุญของอะไรอะไรไงนนะอันนี้จัดสัญญาก็ปรากฏว่าเออมันไม่ใช่ของใคร ทำแล้วก็จิตทำก็หายไปมือทำก็ต้องต้องเน่าไปอะไรไปกว่าผลจะเกิดของทำก็เป็นของเน่าเสียหายไปในที่สุดก็คืออย่าคือถ้าทําด้วยความรู้สึกมันเกิดการปลดปล่อยถูกไหมเกิดการปล่อยเกิดความรู้สึกไม่มีสาระแต่ควรจะต้องทําทำํำมาี๋ยวก็กรรมก็ส่งผลผลแล้วก็ยกเลิกมันเหมือนกับตัวเราที่เกิดมาเพราะกรรม พอเสวยกรรมคือเกิดมาได้แต่ภาพอย่างนั้นนี้เสร็จแล้วก็ตายตายแล้วก็กรรมอื่นก็มาแล้วแล้วๆเราคนทำวิปัสนาเห็นอย่างนี้ถึงเบื่อหนายในสังสารวัฏนี่ยทั้งวิบากทั้งกรรมและทั้งกิเลสเราต้องเหน็ดเหนื่อยไม่รู้จบแล้วก็ไอ้สภาพอย่างเนี้ยมันมันไม่ไม่ใช่ไม่พูดว่าอัตราเสี่ยงแต่มันหมายถึงความเสียหายในแง่ของสังสารทุก อยู่ในตัวของมันเองที่เป็นอย่างนี้ก็จึงเกิดความรู้สึกปลดปลอยแต่อย่างนี้เราไปพูดกับคนเ้าก็รับไม่ได้ก็คิดไม่ถึงรู้สึกด้วยไม่ได้ทราบถึงด้วยไม่ได้ความเชื่อเรื่องนี้ถึงมีขีดขันที่แตกต่างกันเราไม่เสียดายหรือวบุญทํามมาตั้งเยอะฮะคือบางคนในขีดเสียดายนะมุนว่า ให้เราทําอะไรสักอย่างลงทุนลงทุนเนื้เราเราไปปลูกบ้านกันสักหลังโ อ, โอ้ลงทุนทําเหนื่อยแทบเป็นแทบตายนะเสร็จแล้วหลังจากนั้นปีหนึ่งเราก็ให้คนอื่นยกให้คนอื่นเราไม่ได้อยู่แต่บางครั้งนึกว่าโอเราเคยเหน็ดเหนื่อยทำไมยยไปให้ง่ายๆไม่นึกถึงความเหน็ดเหนื่อยบ้างเลยบางคนเขาไม่ยอมเขายังไม่คุ้มเหนื่อยเขาต้องใช้ให้คุ้มเหนื่อยต้องถือคลองให้คุ้ม นี่พยายามเทียบให้ฟังพูดอย่างนี้นะฮะไอบางคนนี่ถึงบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยไอไอไอรถหรือของใช้คันนี้บ้านหลังนี้สร้างฐานะมาจากความไม่มีอะไรพอเห็นบ้านหลังนี้นะความเหน็ดเหนื่อยนโผล่ึ้นมาเพราะนั้นหลังนี้ให้ไม่ได้จะโสมซมซ่องไงไม่ได้แต่ไอรถคันอื่นบ้านหลังอื่นดีกว่านี้ให้ได้เพราะมันได้ง่ายเพราะมันรวยเลยนี่ดัง น, นั้นเงินมันต่องเงินก็ให้ง่าย พอเห็นบ้านเห็นอะไรก็ไม่รู้สึกว่ามันผ่านความเจ็บปวดอะไรมากคือนึกในแง่เสียดายก็เรามันนึกถึงว่าเราเองเนี่ยเราเคยนึกเสียดายไอ้บุญที่เราลงรุนลงแทมลงรุนลงทุนลงแรงทําไปเสร็จแล้วก็จะเข้านิพพานจิตเงี้ยมันอดรู้สึกเสียดายใช่ไหมล่ะเสียดายอมรู้งี้ไม่น่าทําบุญขนาดนั้น เนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองนัง่งก็ถึงแจะกระดูกไม่แผลนกก็เสียดายนะกระดูกไม่ได้แผลนคอยไม่ได้นั่งทับกระดูกนี่เอคือถ้าคิดอย่างนี้ก็คือคนที่ยังไม่ควรจะไปนิพพานนะไม่งั้นตุภูตเจ้าคงเสียดายแย่อืมเราจะไปทําความดีทําไมเนี่ย เป็นคาถามหลายคนถามแล้วมีอาจารย์บานีเข้ามาถามเขาบอกว่าเมื่อมันเป็นอนัตตาเกิดดาวเรื่อยไปทำความดีทําไมเช่อมเป็นอนัตตาเนี่ยตรงนี้ก็คือมันก็สะท้อนถึงความเห็นแต่จะได้เห็นแค่ตัวว่าเอิมทําความดีนี่จะเอาตะพืชนะพอจะไม่เอาพอจะให้ใครมันคิดเมื่อไรออกอะไรเงี้ยนะเน่ก็ตอบในแง่ที่หนึ่ง แต่อีกแง่หนึ่งเนี่ยการทําความดีทุกอย่างในศาสนาพุทธเขาเรียกว่าต้องทําเพื่อจะปล่อยนะแล้วความเมื่อทำไมถึงต้องควรจะปล่อยเพราะทุกอย่างเนี่ยทำแล้วมันไม่เป็นสาระทําความดีเพื่อจะปล่อยเพื่อจะละกิเลสไม่ใช่เพื่อจะเอาอเพราะฉะนั้นเราทําความดีขั้นต่ําเนี่ยเราก็ปล่อยบางส่วนเอาบางส่วนตามภาษาคือเอาสิ่งที่ดีกว่าปล่อยสิ่งที่ด้อยกว่าเราเราใส่บาตรเนี่ยนะ ทำความดีเราทำไมเราไม่เสียดายของใส่บาตเพราะอะไรเพราะเราได้สิ่งที่สูงกว่ามากกว่าของใส่บาตรเมื่อเราทำความดีอย่างอื่นไอ้ความดีที่เราทำเป็นฐานลงทุนไว้นะฮะก็คือไอ้ทุนของความดีบางอย่างเนี่ยวัตถุเป็นทุนบางอย่างบุญที่เราทำไว้เป็นทุนพอไปได้อย่างหมเราก็ก็ไม่เสียดายอย่างเก่าไม่งั้นเราจะกลายเป็นคนเหมือนเขาว่า ถ้าเป็นนักทำงานเขาโอจะเอาทุกอย่างตำแหน่งม่้ก็จะเอาตำแหน่งนี้แค่เอาเอาหมดทุกตาแหน่งมีไอ้หน่วยงานอะไรขึ้นมาในในม้งนั้งก็เป็นหมดเลยเคยเห็นคนอย่างนี้ไหมไม่ให้คนอื่นโอก็พลุงพะลังแย่ yeah, เลยเป็นผลางอง ย, ยันเจ้าของบริษัทเนี่ยไม่ไหวก็มนึกอย่างนี้ก็ <c oughs> ลงแล้วคนที่ปล่อยอย่างนี้ได้ลักษณะ พฤติกรรมของคนคนนั้นความรู้สึงคนไม่ใช่คนที่เอาเหตุผลนี้ไปใช้เพื่อสนองความเห็นแก่ตัวว่าเพราะมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่าทําไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้จึงต้องควรทําใช่ไหมเช่นว่าไอ้ของนี้ก็ไม่ใช่ของเราบุญทําแล้วก็ยังไม่ของเราเพราะฉะนั้นควรเอาของนี้ไว้จะเอาไว้ให้ใครอะ่ะ <c oughs> ก็ต้องคิดว่าของนี้ควรจะสละโดยไม่ต้องบังคับตัวเอง มันต้องออกมาในรูปนั้นถึงจะสมเหตุสมผลและควรจะสมเหตุสมผลอย่างนั้นเอาละครับผมขอเลยไปถึงอีกสูตรหนึ่งแล้วก็สูตรคือสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดและจะอธิบายบางอย่างที่มันร่วมกันอยู่ชานุโสนิสูตรสูตรที่แสดงแกชานุโสนิปราหมนี่ก็เอาชื่อของผู้ฟังธรรมมาตั้งชื่อสูตรแสดงที่เจตาวัน ฟังก็คือชานุโสนี่ที่ตรัสถึงเป็นการตัสตอบคำถามนะว่าปฏิจจสิบสองเนี่ยเป็นสายกลางไม่ใกล้ทิฏฐิสดตรสองอย่างอันเนื่องด้วยสัพพะมัททิตาที่แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีอยู่แล้วก็สัพพนัททิตาทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีผมได้อธิบายละเอียดในการบรรยายประสูตรแต่ตรงนี้สรุปว่า อัตตาคือสัตตาทิฏฐิแล้วก็นัตตาคือนัติกาทิฏฐิหรืออุจเฉททิฏฐินั่นเองครับมีคือมีอย่างเป็นอัตตามั่นคงถาวรไม่มีก็คือขาดศูนย์ไปเลยเอก็ทรงแสดงตอบคาถามเรื่องมีไม่มีเรื่องสัตตตาอุจเฉทะด้วย พวกสัตตาผู้เฉธาเนี่ยบางพวกเป็นกรรมวาทีบางพวกไม่ได้เป็นกรรมวาทีอย่างการณีพราหม์เมื่อกี้เนะี่ยอก็กล่าวอยู่บนฐานของอุเฉทาสัตตาแต่เป็นกรรมวาธีสูตร48โลกายติกาแสดงแก่พราหมณ์ผู้รู้โลกายตาศาสตร์นาเชตะวันพรามคนนี้เขาเรียกว่าเป็นโลกายตาพราหม์ แสดงถึงว่าปฏิจจสมุปาสิบสองเป็นทางสายกลางไม่เข้าไปใกล้ชิดส่วนทิฏฐิสุดตรงสองอย่างตรงนี้ก็ให้จำหลักไว้ว่าหมายถึงอุจเจทะกับสัตสตะนั่นเหมือนกันและที่เรียกว่าโลกายตะโลกายตะที่บางแห่งแปลว่าเป็นไปตามโลกเนี่ยในที่นี้ก็ หมายถึงว่าบุคคลผู้นั้นกล่าวถึงสิ่งที่มันเป็นตัวเชื่อมต่อโลกโลกหมายถึงชีวิตใหม่กับชีวิตเก่าว่ามีอะไรเป็นตัวเชื่อมต่อโลกก็คือเหมือ น, นยที่เราพูดกันแหละว่าไอ้เราจะเกิดใหม่เนี่ยมีอะไรเป็นตัวเชื่อมโลกนี้ชีวิตนี้กับชีวิตหน้าผมก็ไม่ใช่คนก็ไม่ใช่มันต้องมีอะไรสักอย่างคืออัตตา นะถึงทำให้เราเกิดใหม่จำชาติก่อนได้อะไรได้กรรเกรมอาศัยปิดเกาะไปได้ก็พูดเป็นลักษณะอย่างนั้นก็เป็นสัตาตถิทินะครับอุเทธทิทิกล่าวเป็นสองอย่างนี้แต่ว่าความคิดเคาแจกออกเป็นสี่อย่างในแง่ของรายละเอียดอผมก็จะไม่ขอแจ้งตรงนี้นะครับแต่ให้สรุปหลักว่าเป็นสองอย่างนั้นอยู่บนหลักสองอย่างนี้นั่นเอง ทีนี้ตรงนี้นะ่ะถ้าจะถามว่าปฏิจจ์เป็นสิ่งที่อยู่ตรงกลางของความเห็นว่าขาดศูนย์และเห็นว่าที่อย่างไรนะฮะก็จะตอบอธิบายว่าปฏิจจ์แสดงให้เห็นว่าไม่มีอดตาตัวตนเพราะาตาตัวตนเนี่ยมันมีอยู่สิ่งเดียวเป็นตัวยืนแล้วก็อยู่เหนื อ, อ้พลังของเหตุปัจจัยแต่ปฏิจจานั้นบอกว่านามและรูปเนะี่ยมันเกิดเกิดดั บ, ดบ และก็มันเป็นเหตุเป็นผลอยู่ในตัวของมันเองเช่นว่าเราได้ชีวิตใหม่ชีวิตใหม่นะก็ไม่ใช่เป็นของล่องลอยมาจากชาติเก่าล่องรอยแบบเก่าๆ เ, เนี่ยนะแต่มันหมายถึงเป็นผลผลของเจตนากรรมเก่าที่เราคิดเราทาไว้เป็นพลังที่สร้างชีวิตใหม่ ที่ไม่ได้สร้างเราเอกเทศดีแต่สร้างโดยอาศัยเหตุปัจจัยตัวประกอบตัวรองอย่างอื่นมากมายหลายอย่างอันนี้แหละไม่ใช่อัตราตัวตนเป็นไปตามเหตุปัจจัยเราจะกระพริบตาเราจะใชยหันขวาหันเนี่ยล้วนแล้วจะมีเหตุปัจจัยหลายๆอย่างแต่จะมีตัวหลักอยู่อย่างหนึง่ง เ, เร า, เราลองเล่ดูนะฮะว่าเูืว่ า, ว เ, ราเราจะลุกเดินไปสู่ที่หนึ่งเนี่ย ถ้าเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะต้องจับไอ้ตัวเหตุตัวหลักว่าคือไม่ท่องๆเหมอนนะมันออกมาเองอะไรเป็นตัวหลักถ้าหากว่าจะต้องกําหนดควบคุมก็ใช้หลั ก, ากศาสตร์สกรรมจัญญะว่าลุกมีประโยชน์ไหมถ้าหากว่าเราลุกแบบไม่ได้มีศาสตรกัดรรมพยายามจะมีเหตุผลแรงจูงใจตัวหลักของฝ่ายกิเลสถึงโดยมากทีเราก็ไม่รู้นะ เราไม่ได้คิดว่าอะไรเป็นหลักไปลรองถ้าเป็นคนมีศาสตการธรรมัญญาก็จะจับเหตุปัจจัยหลักในฝ่ายศาสต์การธรรมัญญาว่ามันมีประโยชน์แก่กรรมฐานอย่างไรเราลุกไปไหนมาไหนซ้ายหันขวาหันเนี่ยเราเคยจับไหมเคยทั้งเกณฑ์ไอ้ทำไมเราต้องเลี้ยวทำไมเราต้องเดินโดยมากเราก็ไม่ได้ลุกแต่ว่าถ้าอยู่ในปฏิบัติเนี่ยเราจะละเอียดกับสิ่งเหล่านี้ ว่าจะลุกไปทําไมแม้แต่จะขยับนิดหนึ่งจะขยับทําไมอะไรทําให้ขยับบางทีมันก็จับไอ้แรงประทุข้างในว่าอ๋อไอ้นี่เองทําให้เราเราขยับแล้วมันก็จับไอ้แรงประทุนั้นว่าเออมันมาจากอะไรมองเป็นสายลึกเข้าไปได้แบบจับลันทันทีเราก็รู้อ๋อนี่คือเหตุปัจจัยหลักทีนี้ไอ้ที่เราทําได้อย่างนั้นและทําอย่างนั้นหรือพยายามจะทําอย่างนั้นมีไอ้ตัวเสริมอย่างไร เราก็รู้อ๋อตัวเสริมนี่เนี่ยมันหลายอ ย, าอย่างเช่นว่าเพราะเรามันนั่งหันหน้าไปทางนี้นั่นเองนะหรือเพราะเราไปคิดไอ้ตรงนี้แวะเข้ามานั่นเองมันเลยไปกระทบความรู้สึกเหมือนทําให้เราพผวาเวลาเราผวาเนี่ยเราเคยผวาใช่ไหม ย, ยังเียงพผวาอยู่ใช่ไหมทั้วันนี้ผวาแต่ตอนนอนว่างตอนนั่งอยู่ที่ใดที่หนึ่งบ้างเนี่ยเราก็ไม่โดยมากก็ไม่เคยสังเกตว่าเอออะไรทําให้ผวา แต่พอสังเกตปับ๊บเลยก็จะจับคล้ายๆวิปัสนาอ๋อเนี่ยบางอย่างเนี่ยอารมณ์อนี้เข้ามาแวบเนี่ยมันไปนกระตุ้นพับเลยกระตุ้นอะไรที่มันมันหมกเม็ดอยู่ข้างในความรู้สึกเราเนี่ยให้ออกมาให้ทําอะไรบางอย่างลงไปแล้วแล้วก็อะไรอไรีกหลายๆอย่างใกล้ๆตัวมันเป็นตัวส่งเสริมเป็นตัวเปิดช่องทั้งในทางลบทางบวกเนี่ยนะฮะบางทีไอ้ทางบวกเนี่ยก็มาเป็นประโยชน์แก่ไอ้ความรู้สึก หรือพฤติกรรมทางฝ่ายไม่ดีก็มากมายไปยทีนี้พูดถึงที่เป็นทางสายกลางไม่ค้องแวะ อ, อ, อุดเชทะไม่ค้องแวะอุดเชทาก็เพราะว่าสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นทุกอย่างเนี่ยไม่มีอะไรที่เป็นของใหม่เอี่ยมไม่ต้องอยู่ภายใต้อำนาจเหตุปัจจัยอะไรเลย อย่างสลมชีวิตใหม่แล้วถามทําไมคนถึงไม่เหมือนกันเนี่ยนะทําไมถึงยังวูนอย่างนี้ไม่เหมือนกันมันเป็นของบังเอิญไม่ไม่มีอะไรอยู่เป็นเบื้องหลังเบื้องลึกในอดีตชาติปางก่อนไม่มีเลยถ้าแล้วไม่มีแล้วทําไมถึงเป็นอย่างนี้เราก็เคยถามตัวเราเองนะเป็นทุกวันนี้ก็ยังอดถามเพื่อที่จะคิดในเชิงธรรมะแล้วก็คิดแทนความรู้สึกของคนว่าเออก็ว่าบังเอิญเนี่ยก็เพราะว่าอย่างนู้อย่างนี้ มันมีเหตุมีปัจจัยอะไรมาไอเหตุปัจจัยเหล่านั้นเนี่ยเมื่อสารเข้ามาในระบบของปฏิจจารมันก็คือปฏิจจาแต่ละองค์ทีนี้ปฏิจจาแต่ละองค์เนี่ยเขานับขึ้นมาเป็นหน่วยเดียวเนี่ยเขายกเหตุปัจจัยหลักของผลช่วงนั้นอย่างเช่นปฏิสนธิวิญญาณอาศัยเหตุปัจจัยอะไรเป็นหลักอาศัยกรรมสังขารที่เรียกว่าสังขารเป็นตัวหลักของปฏิสนธิวิญญาณเหตุปัจจัยหลักถามว่ามีเหตุปัจจัยหลักอย่างเดียวหรือไม่ใช่ มีเหตุปัจจัยหลงด้วยเห็นว่าพ่อแม่ท okay. so ี่ตามสารอย่างนะมีปฏิสนธิวิญญาณอย่างลงนั่นก็คือเหตุปัจจัยลองและขนาดกรรมที่เป็นเหตุปัจจัยหลักมันยังมีกรรมตัวหลักกับกรรมตัวหลงว่าทาไมเราถึงมีลักษณะหลักๆของชีวิตอย่างนี้แล้วก็มีลักษณะเสริมในทางดีอย่างนี้ด้อยในทางนี้อย่างนี้ น้อยในทางในในในชีวิตของเราตรงนั้นตรงนี้อย่างนี้นั่นคือกรรมตัวหลักเนี่ยเหตุปัจจัยหลักยังมีหลักที่หนึ่งหลักสองหลักสามทีนี้มาพูดถึงความอยากตัณหาอะไรเป็นเหตุปัจจัยหลักที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงอย่างในในทางนี้อย่างนี้น้อยในทางในในในชีวิตของเราตรงนั้นตรงนี้อย่างนี้นั่นคือกรรมตัวหลักเนี่ยเหตุปัจจัยหลักยังมีหลักที่หนึ่งหลักสองหลักสามทีนี้มาพูดถึง ความอยากตัณหาอะไรเป็นเหตุปจัจจัยหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงอย่างในฐานะเป็นทีงปัจจุบันเห็นได้แต่เราช่ไปบอกว่าเพราะเราสร้างสมบูรณาสัย ใ, ใจคอ ย, ยอย่างนี้มันก็เป็นเหตุปจัจจัยหนึ่งเหมือนกันแต่ตรงนี้เวทนาเป็นเหตุปจัจจัยหลักคือรสชาติที่เราได้จากการเสพอารมณ์เป็นเหตุปจัจจัยหลักทําให้เกิดเวทนา เกิดตัณหาก็าโทษสงสัยจะได้แค่สิบสูตรนะเนี่ยบอกแล้วไม่เชื่ออ่าสูตรที่สี่สิบเก้าปฐมอริยสาวกสูตรเรื่องของพระอริยสาวกสูตรที่หนึ่งแล้วก็ทุติยอริยสาวกสูตรหรือเรื่องพระอริยสาวกสูตรที่สองชื่อเหมือนกัน แสดงที่เดียวกันแล้วก็ผู้ฟังก็คือพิสูจน์ทั้งหลายเหมือนกันจุดแตกต่างนั้นเราจะสังเกตว่าในสูตรแรกที่กล่าวถึงอริยส า, าวกละความสงสัยมีญาณอย่างรู้ในความมีและความไม่มีแห่งปฏิจจสมุปบาทิทิอีกสูตรหนึ่งแห่งปฏิจจสมุปบาทที่สองคือสแสดงจำนวนองค์ปฏิจจไม่เท่ากันแปลที่บอกว่าละความสงสัย วิญญาณอย่างรู้เนี่ยท่านกําลังจะบอกว่าความสงสัยในปฏิจจ์อย่างเราสงสัยว่าเอ๊ะตายแล้วเกิดหรือเปล่ากรรมมีหรือเปล่าเนี่ยหรือจิตวิญญาณเรามีหรือเปล่านี่ก็เป็นความสงสัยความสงสัยของเราก็ไม่พ้นปฏิจจสงสัยเรื่องชีวิตเนี่ยนะเป็นปฏิจจ์ทั้งนั้นพูดอย่างเป็นวิชาการก็บอกว่าสงสัยในส่วนที่เกี่ยวกับปฏิจจ์ ถ้าพูดอย่างภาษาชาบ้านก็ว่าตายแล้วเกิดอะไรไม่อะไรไม่ไงนะปีศาจเทวดามีไหมก็อยู่ในปฏิจจ a ทั้งนั้นเพราะจะเป็นมนุษย์หรือเป็นปีศาจเทวดามันก็คือสภาพของอวิชชาของกรรมของวิญญาณที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันไปมีรายละเอียดแตกต่างกันไปเท่านั้นเองเท่ากันโดยความเป็นสภาวะธรรมแห่งปฏิจจ a สมุปบาทแล้วก็มีญาณอย่างรู้ว่าที่ ปฏิจจ์อันหนึ่งมีอันหนึ่งมีเพราะอะไรและจะทําให้ไม่มีได้อย่างไรอันนี้ก็จะมีญาณอย่างรู้ซึ่งเป็นการรู้เรื่องของชีวิตเพราะฉะนั้นไอ้ความรู้ในเรื่องของชีวิตอย่างที่เรารู้ว่าไอ้ตรงนี้ผิดถูกผิดชอบตัวดีกรรมควรทําอย่างนีน้อย่างนี้ก็เป็นความอย่างรู้ทั้งนั้นและเราจะทําให้เราพ้นจากความทุกข์อย่าง น, น, นี้ก็เป็นความอย่างรู้ในทางปฏิเสธสิ่งที่ไม่พึงนประสงค์ ตามแบบหยาบๆต้นๆเนี่ยก็อยู่ในกรอบของปฏิจจ์ในชั้นะตะทางค่าปะหานะที่ไม่ถึงขั้นสมุเทเฉธปา่าที่เป็นสิบเนี่ยก็นับตั้งแต่วิญญาณถึงชรามรณะใครรู้อย่างนี้ก็ชื่อว่ารู้ความเกิดความดับของโลกคือขันนะครับคือชีวิตชื่อว่าเป็นผู้ยืนชิดประตูนิพพานและสูตรที่สองนั้นแสดงปฏิจจสมุบาต ตั้งแต่อวิชชาถึงชรามรณะต่างกันตรงนี้ถ้าหากว่าจะถามว่าเวลารู้เนี่ยบุคคลรู้ปฏิจจครพสิบสองหรือรู้ไม่ครบสิบสองตอบว่ารู้ครบถึงขั้นรู้นะแต่ว่าขั้นรูปแบบของการปฏิบัติเนี่ยมันก็เหมือนสติปัฏฐานสคนบาบางคนก็อาจจะทำทำอย่างใดอย่างหนึ่งน้อยอย่างแต่เวลารู้ก็ถือว่า โดยในยะของความรู้เนะี่ยถึงหมดทั่วหมดในเวลาเราตั้งหลักปฏิบัติแบบปฏิจจาบางทีก็ทำแค่บางองค์แต่ถึงกล่าวรู้เนะี่ยต้องรู้หมดไม่งั้นจะละอวิชาละกรรมอะไรบางอย่างไม่ได้ก็คงจะต้องจบสำหรับการบรรยายวันนี้เพียงเท่านี้